มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื tra, ่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ท ăn, ั้งหลายที ôn, a, ่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสอนให้เราปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่มีศาสนาใดในโลกนี้ที่ สอนให้ดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้เพราะไม่มีใครมียานมีดวงตาที่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนีไ้ได้ไม่เห็นความจริงของต้นเหตุของความทุกข์ไม่เห็นความจริงของเหตุ ที่จ น, นให้ความทุกข์นั้นดับไปมีพระพุทธเจ้าเพียงพ่ อ, พอเดียวที่มีปัญญาสามารถเห็นความจริงได้สิ่งที่พระเจ้าทรงตัดสัมมนีเรียกว่าสัจธรรมความจริง <c oughs> สัจธรรมความจริงนี้เป็นความจริงที่เกี่ยวกับความสุข และความทุกข์ของจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเราสุขหรือทุกข์มีเหตุที่ทำให้เกิดและการจะดับความทุกข์ของใจให้เกิดความสุขขึ้นมาได้ก็ต้องทำลายเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา สัจธรรมการจริงนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีอยู่สี่ประการด้วยกันคืออย่งทุกข์ทุกข์กษัตริย์ก็คือความจริงเกี่ยวกับความทุกข์ของเราสมนนิษฐาสั จ, จะแปลว่าต้นเหตุของความทุกข์ความจริงที่เกี่ยวกับความทุกข์ความจริงที่เกี่ยวกับต้นเหตุของความทุกข์ นิโรธศัสจะแปลว่าความจริงที่เกี่ยวกับการดับของทุกมัคศัสจะแปลว่าความจริงที่เกี่ยวกับขั้นตอนของการปฏิบัติเพื่อให้ความทุกข์ดับไปนี่คือความจริงสี่ประการที่ทรงตรัสเรียก ว, ว่าอาริยศาสศี อริยะแปลว่าประเสริฐสัจจะแปลว่าความจริงแปลว่าความจริงของผู้ประเริฐผู้ประเสผยเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงความจริงอันนี้ได้ผู้ที่จะเข้าถึงความจริงอันนี้ได้ต้องเป็นผู้ให้ไม่ใช่เป็นผู้อยากได้ คือมีใจให้มากกว่าอยากได้ไม่ได้อยากจะได้อะไรในโลกนี้มากไปกว่าสิ่งที่จำเป็นต่ อ, อการดำรงชีพไม่มีความอยากได้ทรัพย์มากๆเพื่อให้ร่ำให้รวยเพราะมีจิตใจที่อยากจะให้มากกว่าอยากจะได้เวลามีทรัพย์มากกว่า ที่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ก็จะไม่เก็บเอาไว้จะเอาไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นผู้ให้จึงเป็นผู้ที่ประเสริฐกว่าผู้รับเพราะผู้ให้นี้เป็นผู้มีความเมตตาเป็นผู้มีความเสียสละเป็นผู้ที่มีความปรารถนาดี ต่อผู้อื่นนี่คือความประเสริฐผู้ที่จะเข้าสู่ความเห็นความจริงของของของความจริงอันประเสริฐนี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีใจที่ประเสริฐก็คือต้องเป็นผู้ที่ให้เป็นผู้ที่เสียสละแล้วก็จะเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่นเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดโกหกหลอกลวงไม่เสพสรารยาหมันผู้ที่จะเข้าถึงความจริงอันนี้ได้จะต้องเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ใจบุงสมทานแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มีใจที่สงบ ถ้าใจไม่สงบใจจะขุ่นมัวจะมองไม่เห็นอริยสัจที่มีอยู่ภายในใจอริยสัจนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ภายในใจพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุพระอริยสัจสี่ก็ตัดสรุ้ในพระทัยของพระองค์ไม่ได้ไปตัดสรุปตามสถานที่ต่างๆ สถานที่นั้นเป็นเพียงที่ประทับเพื่อที่จะได้บำเท็ญเพื่อที่จะได้ให้มีความสงบทางจิตใจที่ที่ที่จะทำให้เกิดความสงบทางจิตใจก็ต้องเป็นสถานที่สงบวิเวกไม่มีสิ่งมาคอยรบกวนใจเช่นรูปเสียงกยลิ่นรสโผฏภะ ชนิดต่างๆสถานที่ที่สงบมิเวงในสมัยพระพตการหรือในสมัยนี้ก็คือตามป่าตามเขาสถานที่ไม่มีคนถ้าสถานที่ใดมีคนก็มักจะมีเรื่องให้เกิดความวุ่นวายใจเกิดความลำคาญใจเกิดความเงินิดใจ ได้แต่ถ้าไปอยู่ตามสถานที่ที่ห่างไกลจากมนุษย์ห่างไกลจากผู้คนต่างๆจะทำให้จิตใจนั้นมีความสงบงา่ายสถานที่พระพุทธเจ้าทรงบัพต์และทรงตัดสรลุก็คือในป่า น, นี้เองไม่ได้ไปตัดสรลุอยู่ในบ้านในเมืองพระภิกษุสมัยโบราณสมัยพระพุทธการ ท่านไม่ได้อยู่ในบ้านอยู่ในเมืองกันท่านอยู่ตามป่าตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนในขณะที่บวชใหม่ๆทรงตรัสว่าให้ไปแสวงหาอยู่ตามโคนไม้คือให้ไปอยู่ตามป่า น, นั่นเองอย่าไปอยู่ตามบ้านตามเมืองอย่าไปอยู่ตามสถานที่ที่มีแหล่งบันเทิงมีการ หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเพราะความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายจะมาทำให้จิตใจไม่สงบตะทำให้จิตใจว้าวุ่นขุ่นบัวหิวอยากต้องการอยู่เรื่อยๆถ้าใจไม่สงบใจจะไม่สามารถเห็นอริยสัจสีที่มีอยู่ภายในใจได้ แต่ถ้าไปอยู่ตามสถานที่สงบแล้วก็จะสามารถทําใจให้สงบได้พอใจสงบใจก็จะใสขึ้นมาใจก็จะเห็นความจริงขึ้นมาทันทีคือความทุกข์ของใจเห็นต้นเหตุของความทุกข์ของใจเห็นวิธีการที่จะดับความทุกข์ของใจเห็นการดับ ของความทุกข์ของใจงต้องเห็นด้วยการที่มีใจที่สงบก่อนที่จะมีใจที่สงบได้ก็ต้องไปอยู่สถานที่สงบสงบัดห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆจำเป็นจะต้องตั้งอยู่ในศีลธรรมจำเป็นจะต้องมีจิตใจที่เมตตา ใจบุญใจกุศลถ้ายังมีความโลภอยากได้เงินทองก็จะไม่สามารถไปอยู่ตามสถานที่สงบได้เพราะยังมีความอยากได้เงินทองยังอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ดังนั้นผู้ที่อยากจะได้เห็นความจริงอันต่อเสดที่จะสามารถ ดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจของตนได้จาเป็นจะต้องมีความเสียสละไม่ต้องการความสุขทางโลกทางรูปเสียงกิน่นรสเพราะถ้ายังมีความต้องการความสุขยังต้องการเงินทองอยู่ก็จะไม่สามารถ แยกตนเองให้ไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดได้ไม่สามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้พระพุทธเจ้าจึงต้อ ง, องสอนให้ทำบุญให้ทานให้รักษาศีลก่อนการทำบุญให้ทานก็ต้องทำอย่างไม่มีเงื่อนไขคือไม่มีความต้องการผลตอบแทน ไม่ได้ทำเพื่อให้ร่ำให้รวยขึ้นไม่ได้ทำเพื่อล้างบาปหรือสะดกเคราะห์นี่ไม่ใช่เป็นการทำทานทางของพระพุทธเจ้าทรงให้สอนให้ทำทานเพื่อจะได้ตัดความโลภอยากได้เงินทองเพื่อจะได้มีเงินทองไม่มากแล้วจะได้มีเวลามา รักษาสิงแล้วก็มาทําใจให้สงบผู้ที่ไม่โลภอยากได้เงินทองก็จะมีเวลาที่จะไปปลีกวิเวทได้ไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดตามป่าตามเขาตามวัดป่าวัดเขาได้เมื่อได้ไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดก็จะสามารถทําใจให้สงบได้พอใจสงบแล้วถ้า พิจารณาตามที่พูดเจ้าทรงสั่งสอนคือให้เฝ้าดูใจไว้ตลอดเวลาก็จะเห็นว่าใจเวลามีความสุขเป็นอย่างไรเวลามีความทุกข์เป็นอย่างไรก็จะรู้จักวิธีที่จะสามารถดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจได้เช่นเวลาใจสงบนี้ใจจะนิ่งเหมือนน้ำ เวลาใดที่เกิดความทุกข์ขึ้นมานี้เป็นเหมือนน้ำกระเพื่องเหมือนมีใครโยนก้อนหินลงเข้าไปในน้ำเวลาโยนก้อนหินลงเข้าไปในน้ำน้ำก็จะกะระเพื่อมขึ้นมาความนิ่งของน้ำก็จะหายไปความใสของน้ำก็จะหายไปความขุ่นของน้ำก็จะปรากฏขึ้นมาฉันใดใจก็เป็นเหมือนน้ำ เวลาสงบ น, นี้ใจจะนิ่งจะใสแต่เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใจจะกระเพื่อมขึ้นมาทันทีเช่นถ้าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้ใจไม่สบายใจเช่นคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บไข้ย่ายป่วยคิดถึงความตายคิดถึงการพัดคลากจากกัน ใจจะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ผู้ที่ไม่มีความสงบนั้นจะไม่เห็นว่าอยู่ที่ใจจะไม่รู้ว่าจะไปคิดว่าอยู่ที่ร่างกายแต่ถ้าคนที่มีใจที่สงบนี้จะรู้ว่าความไม่ความทุกข์ใจหรือความกระเพื่อมใจนี้เกิดขึ้นที่ใจและเหตุที่ทาให้เกิดขึ้นก็เพราะ ไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่ในใจความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เรียกว่าตัณหาวิภาวะตัณหาที่พู้เจ้าทรงตรัสว่าเป็นความเป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจของความทุกข์ใจ องทรงตัดสอนว่าถ้าอยากจะทําให้ความทุกข์ใจนี้หายไปก็ต้องละความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายคือต้องสอนใจว่าความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นเรื่องของร่างกายที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปยับยัง้งเปลี่ยนแปลงได้ ใครกต็ต่างถ้ามีร่างกายก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายไปเป็นธรรมดาถ้าสอนใจให้ยอมรับความจริงอันนี้ได้ใจก็จะละความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เพราะจะเห็นว่าถ้าไม่ละความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย จะเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าละความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายได้ความไม่สบายใจความทุกข์ใจก็จะหายไปนี่คือวิธีดับความทุกข์ภายในใจของเราที่เกิดจากความอยากต่างๆก่อนที่เราจะเห็นความทุกข์ภายในใจเห็นความอยากภายในใจ ใจของเราต้องสงบก่อนถ้าสงบแล้วแล้วเราเอาความจริงที่พระเจ้ามาส่งสอนเราให้สอนใจให้รู้ว่าจะไม่สามารถที่จะไปห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ความอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายจะเป็นจะทาให้ใจต้องทุกข์ใจทรมานใจ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ทรมานใจก็ต้องยอมรับความจริงว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาต้องรู้ว่าร่างกายที่แก่ที่เจ็บที่ตายนี้ไม่ใช่ใจใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจจึงไม่ต้องไปกังวลเพราะใจไม่ได้เป็นอะไรเหมือนกับร่างกายแต่ใจไม่รู้ความจริงอันนี้ ต้องมีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนเท่านั้นที่สอนว่ารู ป, ปังอนัตตารูปหรือร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราคำว่าอนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวเราของเราไม่มีตัวตน ร, ร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลุมไฟหรือเป็นเพียงอาการส2สองเช่นผมขนเล็กฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก อาการ32นี้เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นผมขนเล็บฟันเขาไม่รู้ว่าเขาแก่เขาเจ็บเขาตายผู้ที่รู้คือใจไม่ได้เป็นร่างกายแต่กลับไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะความหลงคิดว่าตนเองเป็นร่างกายนั่นเอง นีมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สามารถเห็นความจริงอันนี้ได้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายอย่างนั้นก็สามารถสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายได้ถ้าเรารู้ว่าไม่เป็นของเราแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาทันทีเช่นถ้ารู้ว่าบ้านที่เราอยู่นี่ไม่ใช่เป็นของเราเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาว่าเวลาบ้านเป็นอะไรไป หรือสมบัติชิ้นนั้นชิ้นนี้ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราก็จะไม่ทุกข์กับมันแต่ถ้าเราไม่รู้และเราไปหลงคิดว่าเป็นของเราเราก็จะทุกข์เพราะเราจะเกิดความอยากให้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดนี่คือปัญหาของพวกเราคือใจของพวกเราได้มีความหลง พอมีความหลงก็เกิดความอยากพอกเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะพระพุทธเจ้าจึงต้องมาสอนให้มาศึกษาความจริงของสิ่งต่างๆที่เรามีครอบครองไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นของเรานั้นความจริงไม่ได้เป็นของเราถ้าเป็นก็เป็นเพียงชั่วคราว เรวก็จะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองจะอยู่กับเรานานหรือไม่นานเราก็ไม่รู้จะจากเราไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ร่างกายของเราก็เหมือนกันจะอยู่กับเราได้นานสักเท่าไหร่เราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เราควรจะรู้แน่ๆก็คือว่าเขาไม่ได้เป็นของเรา แล้วเขาจะต้องจากเราไปอย่างแน่นอนถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วสามารถทําตามที่พระเจ้าสอนได้ก็คือให้ปล่อยวางของที่ไม่ใช่เป็นของเราพอปล่อยวางแล้วใจเราก็จะไม่มีความอยากไม่มีความอยากจะให้อยู่กับเราเป็นนานๆเรานก็จะยินดีตามมีตามเกิดได้ อยู่กับเราไปเท่าที่จะอยู่ได้เมื่อถึงเวลาที่เขาจะไปก็ยินดีให้เขาไปถ้าเรายินดีให้เขาไปแล้วเราจะไม่เสียใจเรากลับมีความสบายใจเหมือนวันนี้ญาติโยมยินดีที่จะมาเสียเงินทองเอาเงินทองมาเอาสมบัติเอาข้าวของต่างๆที่เราถือว่าเป็นของเรานี เอามาถวายพระเอามามอบให้แก่วัดเรากลับมีความสุขแทนที่เราจะมีความทุกข์ทั้งๆ ท, ที่เราต้องสูญเสียทรัพย์ไปสูญเสียสิ่งของไปแต่เราไม่มีความทุกข์เพราะอะไรเพราะเราคิดว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราก็ไม่อยากจะเก็บเอาไว้ให้เป็นภาระแก่จิตใจของเรา อันไหนที่ไม่ใช่เป็นของเราแล้วเราไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เรายกให้คนอื่นไปดีกว่าเราจะได้มีที่ว่างมิฉะน้นบ้านเราจะเต็มไปด้วยข้าวของต่างๆที่ไม่ใช่เป็นของเราเกะ ก, กะไปเปล่าทําให้เราต้องมาทุกไปกับของข้าวของต่างๆพอเรายกให้คนอื่นไปแล้ว ใจเราก็ว่างเย็นสบายมีความสุขนี่คือการที่จะทำใจของเราไม่ให้ทุกข์กับสิ่งต่างๆเราต้องไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆไม่ถือว่าเป็นของเราให้ถือว่าเป็นสมบัติชั่วคราวถ้าเรายังจำเป็นจะต้องมีไว้อาศัยเราก็เก็บเอาไว้ก่อนแต่ก็ต้อง ทำใจเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมที่จะให้เขาจากเราไปได้ทุกเวลานาทีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะจากเราไปเมื่อไหร่นั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึง ส, สอนว่าอย่าไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานี้จะเป็นตัวที่จะให้ความทุกข์กับเรา เพราะเราจะหลงยึดติดจะอยากให้อยู่กับเราไปนา น, านพอเขาไม่อยู่กับเราเขาจากเราไปเราก็จะทุกข์เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับและอาจจะคิดอยากจะทําลายชีวิตของตนเองไปเพราะไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาดาทีนี่เป็นเพราะไปหลงยึดติดว่าเป็นของเรา แล้วก็อยากอยากจะให้อยู่กับเราไปนานนะการที่เราจะทําใจปล่อยวางได้เราต้องทําใจให้สงบเพราะเวลาที่ใจเราสงบนี้ใจจะปล่อยวางถ้าใจไม่สงบนี้ใจจะยึดติดนะนี่คือเหตุผลที่พวกเราจึงต้องมาฝึกนั่งสมาธิกันฝึกเดินจงกรมกัน ฝึจเจริญสติกันเพราะถ้าไม่มีสติเราจะไม่สามารถทำใจให้สงบได้เพราะใจของเราจะคิดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีสติเราสามารถที่จะหยุดความคิดได้เมื่อหยุดความคิดได้ใจก็จะสงบได้พอใจสงบใจก็จะปล่อยวางชั่วคราวได้นี่คือ การฝึกหัดปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นของเราลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะร่างกายของเราความรู้สึกต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราของพวกนี้ไม่ใช่เป็นของเราของพวกนี้เป็นของธรรมชาติเขามีมาแล้วมีไปมีเกิดมีดับเหมือน เหมือนดวงดาวเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ของพวกนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของอเราเพียงแต่มารับรู้การเกิดการดับของเขาการมาและการไปของเขาแต่เนื่องจากเราไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีมาและมีไป มีเกิดและมีดับเราก็เลยไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆที่เราได้มาเราได้อะไรมาเราก็จะยึดติดจะถือว่าเป็นของเราและอยากจะให้อยู่กับเราไปตลอดแต่เขาไม่อยู่กับเราไปตลอดเขาต้องไปจากเราอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วถ้าเราไม่ปล่อยวาง เวลาเขาจากเราไปเราจะเสียใจเราจะทุกข์ใจแต่ถ้าเราปล่อยวางเหมือนวันนี้เรามาปล่อยวางทรัพย์เงินทองส่วนหนึ่งที่เป็นของเรายกให้คนอื่นไปเวลาที่เราปล่อยวางเรายกให้คนอื่นไปนี้เราจะไม่รู้สึกเสียดายจะไม่รู้สึกเสียใจจะรู้สึกสบาย และมีความสุขเพราะเราคิดว่าเราได้เสียสละเราได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเราได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี่คือวิธีที่เราควรที่จะมาปฏิบัติมาศึกษามาทำกันอย่างต่อเนื่องฝึกให้อยู่เรื่อยๆอย่าฝึกอยากได้ฝึกให้ อย่าเอาถ้าจำเป็นจริงๆถึงค่อยเอาเช่นรับประทานอาหารจะรับประทานเมื่อจำเป็นจริงๆเช่นเมื่อถึงเวลาที่จะต้องรับประทานรับประทานก็เหมือนรับประทานยาเวลาเรารับประทานยานี้เราไม่ได้รับประทานด้วยความอยากจะรับประทานเพราะเรารู้ว่ายานี้มันไม่มีรสชาติอะไรแต่เรารู้ว่ามันมีประโยชน์ มันรักษาโาครคภัยแค่เจ็บในตัวเราได้ชันใดาอาหารก็เป็นเหมือนยาที่จะรักษาป้องกันความหิวไม่ให้เกิดขึ้นมาน่ารักษาให้ร่างกายของเราอยู่ต่อไปได้ดังนั้นการรับประทานของเราอย่ารับประทานด้วยความอยากอย่างในรสชาติของอาหารอย่างในรสในกลิ่นในรูปของอาหาร แต่รับประทานเหมือนรับประทานยาถ้าเราทำอย่างนี้เราก็จะไม่อยากรับประทานแต่รับประทานตามเวลาตามความจจำเป็นเหมือนกับที่เรารับประทานยาแล้วใจของเราก็จะไม่ต้องมาทุกมาวุ่นวายกับการรับประทานและดื่มอาหารและสิ่งต่างๆ เพราะการอยากดื่มอยากรับประทานอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ก็เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเหมือนกันเวลาที่อยากรับประทานหรือดื่มเครื่องดื่มแล้วไม่ได้รับประทานไม่ได้ดื่มก็จะเกิดความเสียใจขึ้นมาได้แต่ถ้าเราไม่มีความอยากที่จะดื่มอยากจะรับประทานเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจกับเรื่องของการดื่มของการรับประทาน ถึงแม้จะไม่มีอาหารให้รับประทานไม่มีน้ำให้ดื่มถึงกับจะต้องตายไปเพราะขาดอาหารขาดน้ำใจก็จะไม่ทุกข์เพราะใจไม่มีความอยากที่จะดื่มอยากจะรับประทานเมื่อร่างกายไม่สามารถอยู่ได้ใจก็จะปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงเพราะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรานั้นเอง นี่คือการดับทุกข์ของพระพุทธเจา้าดับที่ความอยากถ้าเราดับความอยากต่างๆได้แล้วเราจะไม่มีความทุกข์เราจะอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาดังนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือต้องมาดับความอยากกันทุกครั้งเวลาที่เราอยากได้อะไรอยากทำอะไรถามว่า จำเป็นต้องทำไหมเป็นหน้าที่ของเราหรือเปล่าถ้าไม่จำเป็นไม่ใช่หน้าที่ของเราอย่าไปทำดีนั่งเฉยๆทำใจให้สงบให้นิ่มให้สบายจะดีกว่าไปทาแล้วมันทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความเหนือยากเช่นอยากจะไปเล่นอยากจะไปเที่ยวอย่างนี้มันจำเป็นหรือไม่ถ้าไม่จำเป็นอยากไปดีกว่า พอการไปเที่ยวนี้มันจะต้องเสียเงินทองถ้าไม่มีเงินทองก็ต้องไปหาเงินทองมาพอได้เงินทองมาก็เอาไปใช้จนหมดหมดแล้วก็ต้องไปหาใหม่ก็จะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราเห็นว่าการไปเที่ยวนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จาเป็นเราอยู่บ้านอยู่เฉยๆดีกว่า ทำใจให้สงบทำใจไม่ให้อยากไปเที่ยวดีกว่าพอความอยากไปเที่ยวหายไปเราก็จะอยู่บ้านได้อย่างมีความสุขแล้เราจะมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนทำาหากินถ้าเป็นแทบตายเพราะเรามีเงินเหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วและชีวิตของเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราจะไม่มีความทุกข์ใจถ้าเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราและไม่มีอะไรจะให้ความสุขกับเราได้นอกจากความสงบความไม่อยากของใจเท่านั้นเราก็จะพุ่งเป้าไปที่การละความอยากต่างๆ ละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพัทธะละความอยากมีอยากเป็นละความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าเราละความอยากทั้งสามส่วนได้แล้วเราจะอยู่อย่างโน่มเย็นเป็นสุขไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองหรือร่างกายของเราหรือร่างกายของคนที่เรารั มันก็จะไม่สามารถมาทำให้ใจของเราทุกข์ไปได้ได้อีกเลยถ้าพวกเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคือให้สละท ส, สมบัติเข้าของเงินทองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็อย่าไปเบียดเบียนผู้อย่าไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้ ก็จะทําให้ใจของเราทุกข์ทำให้ใจของเราว้าวุ่นขุมม่นโม่แล้วก็ให้หยุดใจหยุดความคิดของเราด้วยการจเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆให้คิดแต่คาว่าพุทโธอย่างเดียวใจก็จะสงบได้พอสงบใจก็จะรู้จากการปล่อยวางว่าปล่อยอย่างไรก็คือ ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรมันก็จะสงบมันก็จะปล่อยวางพอปล่อยวางได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปคนที่มีเงินมีทองกองเท่าภูเขาแต่ถ้ายังไม่สามารถหยุดความอยากได้ก็จะไม่มีวันที่จะสามารถดับความทุกข์ได้เพราะเงินทองกองเท่าภูเขานี้ไม่สามารถดับความทุกข์ได้ ต่อให้มีสามีภรรยากี่สิบคนกี่ร้อยคนก็จะไม่สามารถมาดับความทุกข์ภายในใจของเราได้สิ่งที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ก็คือการเสียสละการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและการทำใจให้สงบการทำใจให้ฉลาดให้รู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็ต้องไม่อยากเท่านั้น ยิงขอฝากเรื่องของการมาดับความทุกข์สร้างความสุขให้แก่ใจด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมการสอนของพระพุทธเจ้าให้ท่านได้นำม า, าไปที่นิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อการดับความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา